จับหลักการปฏิบัติให้แม่น แ, แลนน้วนะเอาไปทำมั่ธรรมะไม่ปฏิบัติไม่มีประโยชน์เท่าไหร่จำไว้แล้วก็เอาไปคุยเล่นไปคุยคมกันไม่ได้ประโยชน์ธรรมะต้องถอดถอนกิเลสในใจเราได้ถอนกิเลสออกก็ถอนความทุกข์ออกนัแ่แหละกิเลสมันทำให้ทุกข์เผาใจเรา ใจเราร้อนถูกบีบคั้นตลอดเวลาทุกคราวที่กิเลสเกิดมจะมีการมีแรงบีบันเข็นใจเราการปฏิบัตินัมันหลากหลายไม่ใช่มีอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างบางคนนึกว่าหลวงพูดูลสอนดูจิตอย่างเดียวไม่ใช่ ท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันตามจริตนิสัยบางคนท่านก็ให้ทําสมถะยังไม่มีสมถะเลยให้ทําสมถาก่อนบืงคนทําสมถะแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นให้เกิดสมาธิอีกชนิดหนึง่งสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเงั้นบางคนนะท่านสอนอารรมนูปนิชานให้ทําความสงบอยู่ในอารมณ์เดียว คนไหนบารมีมากขึ้นท่านก็สอนกรรมฐานที่จะฝึกให้จิตตั้งมัน่นได้รักขณูปนิฉฌานคนไหนจิตตั้งมั่นแล้วสอนให้เดินปัญญาแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกบางคนดูกายบางคนก็ดูเวทนาดูจิตไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยข้าไปหาท่านไปกราบท่านไปขอกรรมฐาน ท่านหลับตาไปเกือบๆชั่วโมงท่านลืมตาท่านก็สอนให้ดูจิตบางคนไม่สอนดูจิตนะคนสอนดูกายการปฏิบัติของท่านก็สอนเป็นขั้นเป็นตอนมีลำดับไปมีตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะต้นทางจนถึงปลายทาง เบื้องต้นที่สอนให้ทำความสงบเนี่ยท่านสอนกับพวกที่ชอบออกไปข้างนอกชอบโศกจิตอกนอกสอนให้สงบเวามาข้างในอย่าไปยุ่งกับคนอื่นไปดูคนอื่นให้ดูของตัวงสงบอยู่ภายในรักษาจิตให้สงบอยู่ภายในเงียบๆอย่างนั้นไม่ยุ่งกับคนอื่นไม่ต้องทำบาป นี่บางคนเรียนได้แค่นี้นะท่านก็สอนเท่านี้ก็สรุปว่าหลวงพูดูลยสอนอย่างนี้แหละสอนให้รักษาจิตให้ว่างๆอันนั้นสําหรับพวกชอบส่งจิตไปวุ่นวายที่อื่นให้รักษาจิตอยู่ข้างในดีกว่าไปตกนรกส่วนคนที่จิตเขาไม่ได้ไปวุ่นวายข้างนอกนะท่านก็สอนให้จิตตั้งมั่นอย่างให้พุโทโธพุโทโธนะ สอนเด็กคนหนึ่งให้พุโทโธตอนนี้ไม่เด็กแล้วตอนนี้แก่แล้วไม่ใช่หลวงพ่อนะสอนให้พุโทโธพุโทโธแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปให้คอยรู้ทันผู้ท่องพุโทโธใครเป็นคนท่องพุโทโธจิตนั่นเองเรียกว่าพุโทโธเรารู้ทันจิตไปเขาก็จะพุโทโธพุโทโธนะจิตหนีเรารู้ได้จิตที่ตั้งมัน่นได้สมาธิอีกช น, นิดหนึ่งแล้วก้าวหน้าขึ้นไปอีก ถ้าท่านก็นจะสอนก่อนที่จะเจริญปัญญาเนี่ยท่านบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคาว่าส่งจิตออกนอกก็คือจิตมันเคลื่อนไปจากฐานนั่นเองจิตไม่ตั้งมั่นนั่นแหละหลายภาษาไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเนื้อหาเดียวกันหลวงปู่ไม่ได้ใช้คำว่าทาจิตตั้งมั่นท่านกลัวพวกเราจะทำผิดเนี่ยเราพยายามทาจิตให้ตั้งมั่น ท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกเวลาจิตออกนอกก็รู้ทันจิตออกนอกรู้ทันมันจะตั้งมั่นอัตโนมัติจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะและ้วจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตที่ จ, จะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วท่านก็สอนให้เจริญปัญญา เอาจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรียนรู้ความจริงอะไรเป็นความจริงไตรลักษณ์คือความจริงของรูปพ่องนามบางคนท่านให้ทําสมาธิก่อนนะแล้วดูกายดูกายจนรู้เลยกายไม่ใช่เรานะพอผ่านเห็นกายไม่ใช่ตัวเราแล้วนะท่านก็ให้มาเรียนที่จิต ยงมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งทุกวันนี้ยังอยู่หลวงพ่อสุจินพ่อสุจินสุจินโนอยู่แมสซอดท่านบวชปีสองสามพ่อรู้จักท่านปีสองหเดิมท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลุยหลวงปู่หลุยลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันแต่ว่าถนัดทางกาย หลวงปู่ลุยจะสอนให้พิจารณาร่างกายโดยการฉีกร่างกายเป็นชิ้นชิ้นะท่านภาษาอีสานโบราณเรียกว่ามางาังไกฉ่กฉีกฉีกฉีกไปเรนะื่อยแล้วก็จกนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะจิตมันเห็นเองไม่ได้เจตนาจะเห็นมันเห็นเองว่ากายนี้ไม่ใช่เราอาจารย์สุจินจรเรียนกับหลวงปูลุยอยู่ช่วงนั้นมาขอบวชกับหลวงพูดุลไปขอหลวงปูหลุยนะว่าจะมาบวชกับหลวงปูดุลได้ไหม บอกได้ท่านรู้จักอาจา ร, รย์ดุลท่านรู้จักพระแทๆ้ๆเลยรุ่นโตกว่าท่านมาอยู่กับหลวงพู่ดุลงหลวงพู่ดุลไม่ได้บอกว่าให้เลิกดูกายนะท่านสอนว่าให้สลายกายเข้าสู่จิตสออ่วนนี้นี้ต่อ ย, ยอดให้ดูกายยจนกายมันสลายหมดแล้วข้ามาที่จิตข้ามารู้จิตต่อแต่และคนท่านสอนไม่เหมือนกันนะ ถนั ด, ดูกายก็สอนดูกายจะดูกายเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะมาเห็นจิตหลวงพ่อทําสมาธิมาแต่เด็กนะจิตมันตั้งมั่นอยู่แล้วละแต่เรียกไม่เป็นว่าจิตตั้งมั่นไม่รู้จักว่านี่เขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นหลวงปู ด, ดูลสอนหลวงพ่อนะให้ดูจิตเลยท่านคงเห็นว่าเราเป็นพวกคนในเมืองถ้าไม่ถามเลยนะท่าน นั่งดูเอาเองแล้วก็บอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากเนี่ยประโยคแรกที่ท่านสอนหลวงพ่อเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่ลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะั้นจะมีลักษณะพิเศษนะจะจาคำพูดของหลวงปู่ได้เป็นคำๆเลยนะแล้วกี่คนพูดเหมือนกันหมดเลยเป๊ะเ๊เปหลวงปู่นี่พูดน้อย พูดไม่กี่คำแต่ละคำมีความหมายหมดเลยท่านให้ดูจิตตัวเองนะหลวงพ่อก็มาหาัดดูจิตตัวเองที่แรกดูไม่เป็นไม่รู้ว่าอะไรคือจิตเที่ยวหาจิตอยู่คิดว่าจิตอยู่ในร่างกายนี้ต่อไปนี้เราจะไม่เรียนกรรมฐานเกินกายออกไปดูอยู่ในกายนี้แหละสงสัยว่าจิตมันอยู่ในกายก็จริงมันอยู่ตรงไหนของร่างกายอยู่ในผมหรือเปล่า ดูเข้าไปในผมไม่เห็นมีจิตเลยในขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่เจอจิตสักที่หนึ่งจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของร่างกายเีหรือว่าจิตอยู่กับความสุขความทุกข์อยู่กับเบธนาหรือเปล่าดูไปในความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์ดับไปก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาหรือว่าจิตคือความคิดนี่ดูสิไม่รู้เรื่องสักอย่างนะเที่ยวค่อยๆหาเอา หรือว่าจิตคือความคิดก็จงใจคิดนะจงใจคิดบทส่วนมนพุโทโธสูตรุทโธกรุณามหันนะโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบเห็นจิตมันคิดเราตั้งใจคิดเห็นความคิดบทส่วนมนมันผุดขึ้นมาจากความว่างๆกลางอกเนี่ยผุดขึ้นมาทันทีที่สติระลึกรู้จิตที่คิดจิตรู้ก็เกิดในฉับพลันนั่นเลย ไปรู้จิตมันแอบไปมันไปคิดเนี่ยจงใจคิดด้วยนะ <Okay. S 1> พุโทโธสูสุดโธกรุณามหันนโมพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห่วงมหันมเห็นจิตคิดความคิดเลื่อยออกมาจากความว่างว่าแล้วสลายตัวไปในความว่างๆงทันทีที่เห็นจิตคิดจิตรู้เกิดนี่เป็นกฎเลยนะนธรรมดาเลยอัตโนมัติเลยโอ้จิตรู้อยู่นี่เองพอได้จิตรู้เนี่ย โอ้หลวงปู่ให้ดูจิตก็ต้องคอยดูตัวนี้บางทีมันก็ไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์นะไม่ชอบหาทางแก้ไปเกาะ อ, อารมณ์นั่งแก้ทาตุ้พิธีทางเลยเพ่งจนมันระเบิดเลยก็มีนะนี่จิตถอยออกมาเป็นผู้รู้ในสุดรักษาตัวรู้ไว้เด่นดวงเลยนี่ดูจิตดูอย่างนี้สามเดือนไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกนี่ไม่ได้ดูจิตหรอกนี่แทรกแซงอาการของจิต จิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งนะไปแทรกแซงให้มันเป็นผู้รู้อย่างเดียวไม่ถูกนะไปดูใหม่สาอนอย่างนี้เลยโอ้ท่านไม่ให้แทรกแซงท่านให้ดูแล้มานั่งดูพันเดินก็ดูนอนก็ดูนะดูไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนอะไรดูสบายๆไปเรื่อยเช้าขึ้นมาไปทํางานหิวก็กินข้าวง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ําีำ ใชชีวิตไม่มีคำว่าดัจริตเป็นนักปฏิบัติสักนิดเลยนะกลื่นอนเดยไม่ไม่ใครรู้เลยว่าภาวนาอยู่ที่ทำงานก็ไม่มีคนรู้ว่าภาวนาจริงๆภาวนามีเวลานะที่ไม่ต้องคิดไม่กับไม่ได้หลับเนี่ยภาวนาได้เรื่อยๆเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วมีสติรู้ไป งั้นคำว่าดูจิตดูจิตเนี่ยจริงๆไม่ใช่ดูตัวจิตไม่ใช่ไปจ้องตัวจิตผู้รู้นะถ้าเราไปจ้องใส่ตัวจิตเมื่อไหร่มันจะเกิดจิตซ้อนจิตเพราะจิตตัวเก่าเนี่ยจะตายไปเกิดจิตตัวใหม่ที่เป็นคนไปรู้มันจะซ้อนซ้อนไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเป็นจิตซ้อนซ้อนซ้อนกันไปเ็จิตดวงหนึ่งตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่นะแล้วก็ดับลงมีจิตอีกดวงหนึ่งไประลึกได้ว่าเมื่อกี้มีจิตตัวรู้นะ ไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวรู้เหมือนกันแล้วตัวนี้ก็ตายก็เกิดจิตตัวรู้อีกตัวไปรู้ว่าเมื่อกี้มีตัวรู้ยิ่จะดูรู้ซ้อนรู้ไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเลยจิตไี้เกิดดับอย่างรวดเร็วอันนี้มันกลายเป็นการทําสมถะถ้าเราไปจ้องใส่ตัวจิตเป็นสมถะจําให้ดีนะเป็นสมถะที่ชื่อว่าอะไรชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะจ้องตัวจิตหรือจ้องตัววิญญาณวิญญาณกับจิตนั้นตัวเดียวกัน เลยเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตซ้อนจิตไปเรื่อยเวลาทําวิญญาณัญจายตนะเนี่ยเขามีบริกรรมด้วยนะในในตาําราวิสุทธิมรรคบอกว่าวิญญาณเป็นอนันต์วิญญาณเป็นอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดเลยค <c oughs> ืนไปบริกรรมนะอย่าว่าแต่ <c oughs> ไม่ได้วิญญาณัญจายตนะเลยนะทุติยฌ า, านยังไม่ได้เลยนะยังทําไม่ได้เลย ตำลานะคนเขียนตำลาก็เขียนไปนะลงมือทําจริงเป็อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราไปจ้องตัวรู้นะจะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้มันเหมือนกล่าวตำล่าที่บอกว่าวิญญาณเป็นอนันต์แต่ไม่ใช่นั่งคิดเอาว่าวิญญาณเป็นอนันต์ต้องเห็นก็เหน็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปได้ไม่ถูกการดูจิตไม่ใช่การดูตัวจิตแต่การดูจิตนะั้นะจะดู ว่าจิตแต่และดวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหนะลวงปู่ดูลสอนประโยคหนึ่งนะเป็นประโยคสําคัญสําหรับคนที่จะใช้ดูจิตพวกเรายุคนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกช่างคิดพวกทิฏฐิจริตกรรมฐานที่เหมาะกับทิฏฐิจริตเมื่อวานบอกแนละ้วก็คือจิตตานุปัสสนาหลวงปู่ดูลบอกว่าจงทํายานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปยานแปลว่าอะไรแปลว่าปัญญาเห็นจิต ปัญญาไปเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปท่านไม่ได้บอกว่าตาเห็นผู้หญิงตาเห็นผู้ชายตาเห็นคนแก่ตาเห็นเด็กตาเห็นหมาตาเห็นแมวตาเห็นต้นไม้ไม่ได้บอกอย่างนั้นตาเห็นรูปสิ่งที่ตาเห็นจริงๆคือรูปแล้วเราก็มีสมมุติบัญญัติใส่เข้าไปว่ารูปนี้คือผู้หญิงรูปนี้คือผู้ชายท่านไม่ได้ให้ติดอยู่ที่สมมติท่านให้ดูที่ตัวรูปที่แท้จริง ตัวรูปที่แท้จริงเขาเรียกว่าอารมณ์ปรมตท์นะไม่ใช่อารมณ์บัญญัติเมื่อวานเขพูดเรื่องปรมตท์กับบัญญัติแล้ันจะตินี่คิดเอาปรมตท์นี่เป็นของจริงๆสิ่งที่ตาเห็นนะั่นเป็นของจริงคือสนะีอย่างเราเห็นทางเนี้ยข้างหลังหลวงพ่อข้างบนเนี้ยพอเราเห็นนะสิ่งแรกที่เห็นนะคือสีนั่นคือตัวรูปที่ตาเห็น ถัดจากนั้นใจมันทํางานต่อมันมาจําได้ว่านี่แหละพระพุทธรูปสีที่ตัดกันเป็นรูวนสวดสรงอย่างนี้คือพระพุทธรูปอันนี้คือบัญญัติท่านสอนใ ห, ให้เราเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเห็นสภาวะที่เป็นปรมัตธรรมของรูปไม่ใช่บัญญัติของจิตนะเป็นปรมัตธรรมของจิตอะไรที่เป็นปรมัตธรรมของจิตตัวจิตเนี่ยอยู่ๆเราดูมันไม่เห็นหรอก จิตเป็นตัวรู้ไม่มีรูปร่างไม่มีแสงสีเสียงไม่มีอะไรเลยเป็นแต่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เพราะั้นเราจะไปดูตัวที่มันไม่มีอะไรมันว่างมันเป็นอรูปไม่มีรูปดูไม่เห็นเราก็ดูจิตว่าจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้เนี่ยโดยผ่านสังขารของจิตให้ได้ยินคำว่าจิตตสังขารไหมไม่ได้ดูจิตตรงๆแต่ดูจิตตสังขารดูความปรุงแต่งของจิต อะไรเป็นความปรุงแต่งของจิตบ้างคือบรรดาจเจตสิกทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตคือตัวเวทนาความสุขความทุกข์จิตบางดวงมีความสุขจิตบางดวงมีความทุกข์จิตบางดวงเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์งั้นเราจะเห็นจิตเกิดดับได้ก็ผ่านการเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตจิตดวงนี้มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นจิตมีความทุกข์ นี่จิตเป็นคนละดวงกันจะดูผ่านเจตสิกดูผ่านเวทนาตัวแรกนี้อีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เราดูได้กนะ็คือตัวสังขารสังขารสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเช่นจิตโกรธมันก็ดวงหนึ่งนะจิตไม่โกรธมันเป็นอีกดวงหนึ่งคนละดวงกันคนละขณะคนละเวลานะจิตโลภก็เป็นคนละอันกับจิตโกรธเป็นคนละอัน นะกับจิตที่ไม่โลภโคละอันกันงั้นเวลาที่เราดูจิตเราจะดูผ่านเจตสิกผ่านธรรมะที่มาประกอบจิตทำให้จิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกันเปรียบเทียบนะจิตเหมือนน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์แต่สิ่งที่ทำให้น้ำแต่ละชนิดเกิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่มาเจือปน ล, ลงในน้ำ เอาน้ำหอมใส่ลงไปนั่นก็น้ำนี้หอมมีของเหม็นใส่ลงไปน้ำนี้เหม็นน้ำหอมกับน้ำเหม็นนี่ไม่เหมือนกันละเราจะเห็นว่าโอ้น้ำไม่เที่ยงนะทีแรกหอมอยู่ไปนานนานแล้วเชื้อโรคลงไปแล้วเหม็นไปแล้วอาศัยกลิ่นทําให้รู้ว่าน้ํานี้เปลี่ยนไปแล้วอาศัยสีนี่น้ําเขียวนี่น้ําแดงเติมลงไปก็เห็นน้ําเขียวก็อันหนึ่งน้ําแดงก็อันหนึ่ง หลวงปูมั่นสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตหลวงปู่ดูลไม่ได้คิดเองนะดูจิตโนหลวงูมั่นเป็นคนสอนแล้วก็ไม่ได้สอนหลวงปู่ดูลดูจิตตอนหลวงปู่ดูลเป็นพระอนาคาด้วยนี่รุ่นหลังๆนี่จะเข้าใจผิดว่าครูบาอาจารย์สอนมาเบื้องต้นให้ดูกายเบื้องปลายให้ดูจิตหลวงปู่ดูลดูกายอยู่แป๊บเดียวเองหลวงปูมั่นก็สอนให้ดูจิตนะยังไม่ใช่พระอนาคา ตอนให้ดูจิตและเพราะจริตนิสัยเหมาะหลวงพูนมั่นสอนหลวงปูดุลบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตานี่คําว่าดูจิตเนียสอนให้ดูอะไรให้ดูสังขารนะสังขารกับสัญญามันทํางาน ถ้าดูเต็มยศก็จะมีเวทนาคือความสุขทุกข์อีกตัวหนึ่งสังขารคือความดีความชั่วสัญญาเป็นความจําได้หมายรู้ให้ดูดูอะไรสอนให้ดูจิตมันทํางานนั่นแหละไม่ใช่ดูตัวจิตเฉยๆเพราะฉะนั้นอย่าไปดูจิตแล้วก็รักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่นะอันนั้นเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาดูจิตที่เป็นวิปัสสนาก็คือเห็นอย่างจิตมันมีความสุขเกิดขึ้น เราก็เห็นเออจิตมันสุก ข, ขึ้นมามนสุกเองนะแต่เดิมเฉยๆตอนนี้สุกเนี่ยแสดงว่าจิตไม่เที่ยงนะนะไม่ต้องคิดหรอกมันจะค่อยดูไปแล้วมันจะเข้าใจขึ้นมาพ่ามันมีความสุขอยู่ช่วคราวจิตที่สุกก็หายไปไกลายเป็นจิตเฉยๆโอ้จิตที่สุกเกิดแล้วดับแล้วจิตเฉยๆจิตเฉยๆอยู่ชั่วคราวนะไปกระทบอารมณ์อีกคราวนี้ไปคิดถึงคนที่เราเกลียดจิตมีความทุกข์ขึ้นมา เห็นเลยโอ้จิตที่เฉยเฉยไม่เที่ยงหรอกดับไปแล้วเกิดจิตที่มีความทุกข์หรืออาจะเห็นอนัตตาก็ได้อย่างเราทีแรกจิตเา้าเฉยเฉยตามองเห็นหรือใจมันคิดคิดถึงคนนี้นะความโกรธมันเกิดเออความโกรดนี้เกิดได้เองนะความโลภก็เกิดได้เองความหลงก็เกิดได้เองอย่างเราสั่งห้ามหลงอย่างขณะนี้ลองห้ามคิดสิลองด้วยห้ามคิดทำสิ คิดไหมห้ามไม่ได้อ่ะอย่าไปห้ามนะไม่ต้องห้ามมันคิดให้คิดแล้วรู้เอาเหมือนกับให้โลบแล้วก็รู้เอาให้โกรธแล้วก็รู้เอาฟุ้งซ่านไปแล้วก็รู้เอาหดหู่แล้วก็รู้เอามีความสุขแล้วก็รู้เอามีความทุกข์แล้วก็รู้เอารู้เฉยๆแหละรู้เหมือนตามองเห็นรูปตามองเห็นรูปคล้ายๆเราจะดูหนังเงี้ยหนังมันเป็นยังไงเราก็รู้อย่างนั้น ดูจิตเหมือนตาเห็นรูปเพื่อจิตมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแหะไม่ต้องไปดัดแปลงมันอย่างตาเราไม่ได้ไปเห็นรูปเราไม่ได้ไปดัดแปลงรูปใช่ไหมไปเห็นรูปคนนี้ไม่หล่อเลยจงหล่อจงหล่อมันไม่หลอ่อหรอกในใจก็เหมือนกันนะเราไม่ดัดแปลงมันสุขเราก็รู้มันทุกเราก็รู้มันดีเราก็รู้มันชั่วเราก็รู้รู้เพื่ออะไร <S <S <Class less. S 1> เพื่อจะได้เห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุ ก, ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยง สุกก็สั่งไม่ได้สั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้ทุกข์นะห้ามมันก็ไม่ได้นะมันมาแล้วไล่มันเร็วๆให้ไปเร็วๆก็ไม่ได้ดีสั่งให้ดีมันก็ไม่ค่อยจะดีเลยชั่วนะไม่อยากจะชั่วมันก็ขยันชั่วเนี่ยดูลงไปเห็นมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาดูอย่างี้ดูจิตนะงั้นดูจิตไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าตัวผู้รู้เฉย ตลยไปไปอยู่พรหมไปเป็นพรหมเพราะฉะนั้นาว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตแต่ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไนะตรลักษณ์ตัวที่เด่นของจิตคืออนิจจังอนัตตาเมื่อวานสอนแล้วนะตัวไตรลักษณ์ของกายที่เด่นนะคือทุกขังอนัตตากายเนี่ยดูว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ ย, ยดูยากนะกายไม่ค่อยเปลี่ยนอายุมยืน แต่จิตเนี่ยอายุสั้นแวบบเดียวเปลี่ยนแวบบเดียวเปลี่ยนวันนี้สอนเน้นมาลงมาที่ดูจิตเพราะว่าทิฏฐิจริตแทบเท่านั้นแหละพวกเราคนรุ่นนี้เจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกเราก็คือการดูจิตและอย่างหนึง่งพวกเราไม่สามารถดูกายได้จริงเราทําฌานไม่ได้คนที่จะดูกายได้ดีนะต้องทําฌานได้งั้นอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนเข้าฌานนะทำสมาธิกัน หลายปีเลยทำสมาธิกันนานหลายปีพอใจสงบจริงๆนะออกมาพิจารณากายทําไมต้องมาพิจารณ์กายก่อนตรงพิจารณา ย, ยังไม่ใช่วิปนะัสสนาแต่จิตมันติดนิ่งติดเฉยมันไม่ยอมจะไปพิจารณาไม่ยอมจะเรียนรู้ความจริงของอะไรท่านก็เลยพามันคิดคิดเรื่องร่างกายในสุดจิตมันมีสมาธิแล้วต้องมันไม่ติดล็อกนิ่งๆอยู่มันก็ไปเห็นกายตามความเป็นจริงเลยต้องไปดูกายก่อนนะ ส่วนพวกเราทําสมาธิไม่ได้กรรมาฐานที่เหมอกับเราก็คือการดูจิตแล้วมันก็เหมอะกับคนช่างคิดแล้วปกติคนช่างคิดมันก็ทําสมาธิยากอยู่แล้วละ่ะนะยกเว้นแต่ฝึกกันจริงๆนะฝึกกันนานหลวงพ่อก็เป็นพวกช่างคิดนะแต่ฝึกสมาธิแต่เล็กๆเลยนฝะึกมาแต่เจ็ดขวบพวกเรายังมาฝึกตอนใกล้เจ็ดสิบนี่ลําบากแล้วละ่ะนะ เพราะ้การดูจิตนะการดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตแต่ดูความไม่เที่ยงของจิตใจจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตชั่วก็ไม่เที่ยงไม่แทรกแซงดูเหมือนตาเห็นรูปตาเห็นรูปตาไม่เคยแทรกแซงรูปเลยมีรูปยังไงก็ดูอย่างนั้นดูจิตเหมือนตาเห็นรูปเฮ้จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นกันจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้นะ จิตดีก็รู้จิตโลบขึ้นมาก็รู้จิตลอบหายไปก็รู้จิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตโกรธหายไปก็รู้จิตหลงเกิดขึ้นก็รู้จิตหลงหายไปก็รู้อันนี้ตรงกับคาว่าจิตตานุปัสนาที่พระเจ้าสอนพระเจ้าสอนจิตตานุปัสนาไม่ได้สอนให้ดูจิตว่างๆนะท่านสอนบอกว่าดูกราภิกสูตรทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาเห็นไหมตรงกันหมดเลย ตั้งแต่ที่พระเจ้าสอนที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปูดดงป่ดูลหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อเมื่อต่อมาเป็นสายอย่างเนี้ยดูครพิสูทธ์ทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาเห็นไหมแสดงความไม่เที่ยงแนละมันเคยมีแล้วมันไม่มีแล้วก็บัดขับไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีหรือมันจะไม่มีสั่งมันไม่ได้ดูครพิสูทธ์ทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะ ไม่ได้ดูจิตเฉยๆเห็นจิตมีโทสะดูกระพิกสูทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะดูกระพิกสูทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูรู้ว่าหดหูรู้จักหดหูไหมพวกเรายุคนี้เป็นเยอะนะเป็นโรคซึมเศร้าซึมท้อแท้หมดเรี่ยวหมดแรง <laughs> ปล่อยให้อารมณ์ครอบจิตนะอย่าไปครอบอย่างนั้นเวลาซึมเศร้าขึ้นมาทำยังไงพระเจ้าสอนแล้วเนี่ยดูครภิกษุทั้งหลายจิตฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุงา้งซ่านจิตโหด ห, ดหูรู้ว่าโหดหูก็รู้สิไม่เห็นต้องทำอะไรก็รู้อย่างที่มันเป็นรู้เพื่ออะไรโอ้จิตโหดหูก็ไม่เที่ยงแฮจิตที่โหดหูนี่ก็บังคับมันไม่ได้มันจะโหดหูบังคับมันไม่ได แต่พอเรารู้ทันนะมันครอบใจเราไม่ได้จิตมีราคาเรารู้ว่ามีราคาราคาจะครอบใจไม่ได้ราคาจะกระเด็นหายไปเลยจิตมีโทสะเรารู้ว่ามีโทสานะโทสะจะกระเด็นหายไปเลยครอบใจเราไม่ได้จิตหดูก็เหมือนกันเรารู้ปุ๊บความหดูก็กระเด็นออกไปครอบใจไม่ได้สบายนะงั้นฝึกไว้นะฝึกไปอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้อย่างที่เขาเป็น อย่าเข้าไปแท็กแทงแต่ถ้าไม่มีแรงจะรู้มาดูกกายแทนนะดูจิตไม่ได้ดูไม่มีแรงจะดูแล้วมั่วไปหมดแล้วเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูถ้าใจก็เป็นคนดูไม่ไหวมันไหลเข้าไปคลุกมั่วกันหมดแล้วถึงด้านนั้นเป็นเวลาทําสมถะทําสมถะอะไรไม่เป็นนะพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆสวมดมนต์ไปเรื่อยๆคิดถึงพุทธเจ้า สงบก็สวดไม่สงบก็สวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สงบเองแต่ถ้าสวดแล้วอยากสงบอยากสงบไม่สงบแน่นอนนะอย่าไปอยากสงบนะสวดสวดสบายใจไปเดี๋ยวก็สงบหรือตั้งใจถือศีลถือศีลให้ได้อย่างน้อยสมเดือนพอเรานึกถึงปุ๊บเนี่ยใจจะสงบเองเลยว่วโอ้ที่ผ่านมาสมเดือนถือศีลมาได้เข้มแข็งจังเลยใจจะร่าเริงเบิกบานมีความสุขสมาธิจะมาเองเลย แล้วเวลามีปัญหาในชีวิตมากๆกนะก็คิดอย่างนี้นะพิจารณาความตายนี่ก็เรื่องของสมถะเวลาเจอปัญหายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะโอ้ชีวิตนี้สั้นนักนะเรื่องอะไรเราจะต้องทุกนานไม่ใช่ชีวิตสั้นนักเลยเชื้อคอตายนะให้สั้นกว่กเก่าอีกไม่ต้องหรอกนะทุกอย่างมันไม่จริงจังหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหมดคิ่อย่างนี้นะ เวลาเจอความทุกข์หนักๆในชีวิตท่องคาถาไ mm. ว, าไไวาไานะ้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีห ร, ร, รอกควนะ <laughs> <laughs> าม ท, นะทุกข์ที่ไม่ผ่ า, า, น า, านนะ <laughs> เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่สอนให้ตั้งแต่วิปัสสนายันกระทักคาถาปลอบใจแล้วนะเอาไปทำเอานะเวลาทุกข์มากๆวิปัสสนาดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้สมถะอะไรก็ทำไม่เป็นท่องคาถานี่แหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันกะ็ผ่านไป ไม่มีอะไรหรอกไม่ผ่านไปะทั้งดีและชั่วมันแย่ตรงนี้แหละที่ชั่วๆผ่านไปที่ทุกๆผ่านไปแล้วก็ร่าเริงใช่ไหมเวลามีความสุขก็ท่องไว้เหมือนกันนะไม่นานก็ผ่านไปอย่านึกนะว่าจะสุขถาวรตอนเนี้ทั่วโลกร้อนไปหมดแล้วสงครามจะเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้ในบ้านเรานะไม่เคยมีก็มีมีคาบงคาบอมอะไรเข้ามาอยู่ในเมืองของไม่เคยเกิดก็เกิด ควทุกข์จะเกิดเมื่อไหร่ก็ไดนะ้อยู่เฉยๆประเทศอื่นยกทัพเข้ามาก็ได้นไม่ใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนนะตอนนี้มีความสุขก็นึกไว้ในใจนะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะ้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าผ่านไปแล้วจะไม่ได้เหี่ยวเป็นดอกไม้หงิกๆอย่างนี้หรือเป็นต้นไม้ตายซากหัดภาวนานะ วันนารักษาศีห่หทุกวันปฏบิบัติบูชาพระพุทธเจ้าสัก15นาทียี่นาทีวิธีปฏบิบัติบูชาก็ไหว้พระสวดมนต์สักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปพุทโธ ร, รู้ทันจิตหายใจรู้ทันจิตไม่ได้ฝึกให้จิตนิ่งนะฝึกรู้ทันจิตไปเราจะได้สมาธิที่ดีเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจำวันให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติ กระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดชั่วให้รู้เพื่อจะได้เห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายไม่เที่ยงสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะเนี่ยเฝ้าดูเฝ้าดูปาดไปนะวันหนึ่งอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะนะเชิญไปกินข้าวนะ